ปฏิบัติกรรมฐานสแสวงหาครูบาอาจารย์เรียนปริยัติแอปปฏิบัติช่วงที่ท่านเรียนปริยัติอยู่นั้นเมื่อว่างจากการเรียน ท่านจะพยายามหลบหลีกจากหมู่เพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันโดยแอบนั่งสมาธิในกุฏิคนเดียวหรือเดินจงกรมในช่วงเวลาดึกๆอยู่เสมอด้วยเกรงผู้อื่นจะพบเห็นอันทำให้ท่านเกิดความเก้อเขินในการปฏิบัติท่านเคยเล่าแบบขบขันถึงเหตุผล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 โอจะไปสวรรค์นิพพานเดี๋ยวนี้ชื่หรือนั่นนะพวกเดียวกันมันพูดกันได้นี่นะจะว่าไงไม่ถือสีถือสากันนี่จะไปสวรรค์นิพพานนะนี่พวกเราอย่าไปกวนท่านนะท่านกำลังเตรียมจะไปสวรรค์นิพพานต้องมีแย่กันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้รู้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 ให้มีความสืบต่อที่จะออกปฏิบัติและกล้าที่จะพูดเปิดเผยให้หมูเพื่อนได้ฟังถึงความตั้งใจที่จะเรียนจบแค่รเรียนสามประโยคเท่านั้น